ที่ให้วิบากในกำเนิดสัตว์ดิรัจานก็มีที่ให้วิบากในเปรตวิสัยก็มีที่ให้วิบากในมนุษย์ลโลกก็มีที่ให้วิบากในเทวโลกก็มีนี้เรียกว่าความต่างแห่งกรรมข้อความจากนิพเพทิกะสูตรคนพานประพฤตทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจแล้ว